ใครคือแม่ตัวจริงกันแน่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในอินเดียเนิ่นนานมาแล้วยังมีคุณแม่วัยสาวคนหนึ่งออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลพร้อมกับลูกชายของเธอแม่มีความสุขมากที่เห็นลูกของเธอดูดีใจที่ได้ยินเสียงนกร้อง เขาหัวเราะออกมาและพยายามจะเล่นกับเปลผีเสื้อที่บินรอบๆตัวเขาและดูเหมือนว่าเขาจะชอบที่กลิ่นหอมของดอกไม้ที่แม่มอบให้กับเขาแม่เดินทางเป็นเวลานา น, านจนกระทั่งมาถึงทะเลสาบน้ำในทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินดูระยิบระยับมันดูเย็นฉ่ำและสดชื่นมากแม่เลยตัดสินใจที่จะลงเล่นน้ำเธอวางลูกของเธอไว้บนพื้นหญ้าที่อ่อนนุ่ม และลงไปไว่ายน้ำอย่างรวดเร็วในขณะที่เธอกำลังเล่นน้ำ<ๆ>เธอได้ยินเสียงดังขึ้น<ๆ>จะเป็นอะไรไ้ยถ้าฉันขอเล่นกับลูกของเธอหน่อยนะ่ะฉันกับเธอจะขึ้นมาจากน้ำแม่มองเห็นหญิงสาวกำลังมองดูลูกของเธอด้วยความเอ็นดูเธอยิ้มออกมาโอ้ได้สิควรเล่นกับเขาได้เลยนะโอเด็กดีโอ้น่ารักจริงๆเด็กดี เคงไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลเขาให้เองอาบน้ำให้สบายใจไปเลยเ <c oughs> มื่อได้ยินลูกของเธอหอัวราอออกมาอย่างสนุกสนานแน่จึงออกไปไว่ายน้ำอย่างเพลิดเพลิน <c oughs> ทำไมไม่ได้ยินเสียงพวกเขาเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุณจะเอาไปไหนนะ่ะรอเดี๋ยวแน่ที่บินขึ้นมาจากน้ำ แล้ววิ่งตามผู้หญิงคนนั้นจนทันเดี๋ยวก่อนก็นจะพาลูกของฉันไปไหนนอะลูกเธออย่างนั้นเหรอนี่มันลูกของฉันนะฉันจะไปจากที่นี่เธอกล้าได้ยังไงเนะ่ะเอาลูกของฉันกลับมาเลยนะนังขโมยจะขโมยลูกของฉันอย่างนั้นเหรออย่ามายุ่งกับลูกของฉันเชียวนะฉันขอเตือนมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ผ่านมาพวกเขาได้ยินเสียงดังลั่นจึงเข้ามาดู มีอะไรกันอย่างนั้นเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเธอจะเอาลูกของฉันไปได้โปรดช่วยฉันด้วยเธอได้โปรดช่วยด้วยหลอนโกหกนะเขาเป็นลูกของฉันหลอนพยายามจะขโมยลูกของฉันนะได้โปรดอย่าไปฟังหล่อนนะหล่อนนะโกหกค่ะหลอนโกหกชนเผ่ามองสลับไปที่พวกนางอย่างสับสนพวกเขาแยกไม่ออกเลยว่าใครพูดความจริง หรือใครกันแน่ที่กำลังโกหกในที่สุดหนึ่งในพวกเขาก็ออกมามีทางเดียวเท่านั้นที่จะตกลงกันเรื่องนี้ได้พวกเราต้องไปพบท่านหัวหน้าก่อนทำไมละ่ะฉันบอกคุณไปแล้วยงังไงละ่ะวันนี้มันเลือของฉันนะทำไมถึงไม่ฟังฉันเลยนะ ทั้งหมดเป็นโจรขโมยเด็กใช่ไหมล่ะไม่มีใครในพวกเราเป็นโจรแน่นอนแต่หนึ่งในพวกเธอต้องมีใครสักคนที่เป็นโจรและนี่มันเป็นป่าของพวกเราดังนั้นพวกเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่นอนมากับพวกเราซะชนเผ่า พ, าพาพวกนางเดินผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวนี่ป่าจนกระทั่งมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาพูดภาษาแปลกๆบางอย่างกับทหาร พวกเขาเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดในนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งมีบางอย่างราวกับผีปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความมืดว่าหน้าเผ่ายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเฮอบินาคาคาลิชินบาลาคาบาโอคาคนไหนเป็นแม่จริงๆอันละฉันค่ะฉันค่ะอืม ลอเอาละม่โลกแห่งป่านี้ทุกอย่างต้องถูกตัดสินอย่างถูกต้องเด็กน้อยอยู่ที่นี่พวกเจ้าหนึ่งคนต้องจับหัวของทารกส่วนอีกคนจับที่ขา ท่า น, น, าวาวานพวกนางทั้งสองคุกเข่าไปที่ทารกน้อยทารกมองไปที่แม่แท้ๆของเขาแล้วยิ้มออกมา <c oughs> เขาเอื้อมมือไปหาเธอและกำนิ้วเธอแน่นแม่ร้องไห้ออกมาและลูกๆของเธอยังอ่อนโยนทันใดนั้นเสียงกลองได้ดังขึ้นการแข่งขนันเริ่มได้ เมื่อแม่หมดได้ยินเสียงเธอจึงเริ่มดึงที่ขาของทารกอย่างรุนแรงในขณะที่แม่แท้ๆมองดูลูกชายด้วยความรักเมื่อขาของเขาถูกดึงทารกน้อยเริ่มร้องไห้ออกมาแม่แท้ๆหวาดกลัวอย่างหนักพอแล้วพอเธอฉันอยอมแพ้ฉันไม่อยากแข่งอีกแล้วขอร้องเลห ะ, นะะหยุดเถอะนีโปรดหยุดฉันช น, นะแล้วฉันช น, นะทารกนี่เป็นของฉัน สงทารกกลับไปหาแม่แท้ๆของเขาซะแต่ว่าฉันชนะนะไม่เธอไม่ได้ชนะเธอแค่แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอคือโจรเธอขโมยเด็กไปจากแม่แท้ๆของเขา <c oughs> คุณไม่ยุติธรรมเลยคุณบอกเองว่าป่าดิจะตัดสินอย่างถูกต้องนะฉันดึงเด็กมาได้นะใช่แล้วฉันพูดว่าทุกอย่างต้องตัดสินอย่างถูกต้องแต่ฉันหมายถึงพลังของความเป็นแม่ เธอยินดีจะมอบลูกของเธอให้เพียงเพราะเธอไม่อยากเห็นลูกเจ็บปวดมีแค่คนเป็นแม่จริงๆเท่านั้นที่ยอมเสียสละเช่นนี้ได้<อ>นี่คือลูกของเจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยฉันรู้ว่าเธอเป็นใครอย่าให้ฉันเห็นเธอในป่าของพวกเราอีก ก็ได้ก็ได้ฝากไว้ก่อนสักวันนี้ฉันจะกลับมาแน่นอนฝากเอาไว้ก่อนเถอะนะสักวันนึงเราอาจจะไม่รู้เลยว่าแม่มดจะกลับมาที่ป่าอีกหรือไม่แต่เห็นได้ชัดแล้วว่าถึงแม้เธอจะกลับมาเธอก็จะไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งรักแท้ของคนเป็นแม่ได้เลย